นั่นรรมปกติตั้งัตย์ชอบขอปลาโุกทำสู่กันฟังเทวิตเราต้องมีการศึกษาไม่ใช่โปรยตามปล่อยนิวัตปฏิบัติ ฝกหั ด, ดายว่ า, ายใจของตนถ้าเราไม่ฝึกหัดกายมันก็มีพิษมีโทษใจมันก็มีโทษต่อชีวิตเรามันพยศมันมีพิษเฮ้ยเพราะจิตใจนี่มันเป็นอสสระพิษมันทํำลายชีวิต ตัวเองและผลอื่นสิ่งอื่นว็ถตัอื่นนะ <c oughs> โบราณท่านว่าเสือมันร้ายแต่ว่ามันยังสู้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับกิจของคนไม่ได้อารมณ์นี่มันร้ายโหเสืออันตรายคนม า, มากแเลย เราจึงต้องฝึกหัดดัดแปลงกายว่าจาใจของตนไม่หมดคิดหมดโทษหมดภัยให้มีแต่ผลความดีซึ่งภาอาศัยเดี๋ยวเรามีใจเนี่ยเราพึ่งใจเราได้หรือเปล่าหรือว่าเอาใจไว้ลงโทษตัวเอง คิดขึ้นมาแล้วเศร้าหมองคิดขึ้นมาแล้วโกรธคิดขึ้นมาแล้วทุกข์อย่างนั้นมันก็ผิดเราต้องต้องมาฝึกหัดให้มีสตคิคอยดูแลแต่นี่ตายพอเราไม่มีใครดูแลใจก็ไม่มีใครดูแล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 เมื่อมีสติความคิดที่มันหลงมันก็ไม่ฝปมันมีความถูกมันมีความเป็นกลางสตินี่ทำให้เกิดความเป็นกลางต่อคลายและใจไม่ว่าอะไรอะ่ะถ้าเป็นความเป็นกลางนะมันก็เป็นความเป็นทารม แต่ในามเป็นธรรมมันก็ถูกต้องผมเส็นคงวาได้ที่ได้ถางทีตเราก็มีสิ่งที่ถูกและมีสิ่งที่ผิดเราจะมาสอนมีสติคอยดูแลตายคอยดูแลผิดใจอยูเสมออย่าปล่อยวาอเลยให้รู้เท่ารู้ทัน เวลาอะไรที่มันหลงให้มความรู้สึกตัวเวลาอะไรที่มันโกรธให้มความรู้สึกตัวเวลาอะไที่มันทุกข์ให้ความรู้สึกตัวเวลาอะไรที่มันหลงคิดไปให้มีความรู้สึกตัวกรับปัหาที่ตั้งนรมาฝึกวิธีรำมาฝึกวิชากรรมฐานวิชากรรมฐานให้เป็นวิชาที่ลิกมิดชีวิตของเรา ให้ไปสู่จดหมายปลายทางที่ผูกที่ชอบเราจะมามีพิธีกรรมมายกสร้างจังหวะมามีสติคอยเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวไปมาอยู่หาวิธีที่จะรู้อยู่เสมอขยนันรู้่าไปขยันหลง พยันรูปเอาไว้รูปเอไว้ให้มันต่อเนื่องให้มันมีมากมาเมืเ่อบมรูปมันมีมากมากความหลงก็หมดไปความรูปสิบตัวมันจะมันเก้าหนีไปจากความหลงมันไปไกลไปจากความหลงไปสู่ความไม่หลงอะตัวรูปสิบตัวเมื่อมันไม่หลงมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเทานั้นแหละที่ว่ากรรม กรรมันจะลิขิตไปจำแนกไปจำมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกโยเป็นไปตามกรรมผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทากรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วกรรมเป็นของของตนอาศัยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ไปอ้อนวอนไม่ใช่าศาสนาแห่งการอ้อนวอน าศาสตรก็เป็นาศนาตร์ิลปเหการกระทําตรงไปนี่สติไปอยู่กับกายจริงๆรู้จริง ๆ, งๆให้มันรู้อยู่นานๆให้มัน่อเนื้อให้มันยาวจะให้รู้สั้นๆเราจะมาสร้างให้โอกับ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 อาศัยวัตถุภายนอกแทบจะไม่มีกองหนังรองอวัยวะเพมากกว่าโรงเรียนบ่อนไฟมุกมีมากกว่ า, ว, า, กก ว, าวัดว่าอารามางปวอมหลงมันมีมากแต่เราไม่เวทออกมามาดูแลตัวเอง ชีวิตทั้งชีวิตก็จะจบตกอยู่ในความหลงตั้งแต่เกิดจนตายมืดมาแล้วมืดไปถ้ามืดมาขอให้มันสว่างไปเราจะมีกิจกรรมโดยเพราะราาสุดานเป็นโครงการที่ดีบ้างมาศึกษามาปฏิบัติโดยเพราะความรู้สึกตัวความรู้สึกความระลึกได้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 ในรักษาคนมันมีอยู่นี่แต่ถ้าเราไม่สร้างตรงนี้ก็จะไม่เห็นสัจธรรมจะเห็นแต่ของปลอมๆเป็นกายเข็นใจของเราเนะมันคิดไหลเลือกโดยคิดมันมีอยู่สองลักษณะั น, นังมันรักคิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจมันคิดไปเอง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 เอากายเป็นในมิตเพื่อสร้างความรู้สึกตัวแล้วมันก็ไปสอนใจเลยเมื่อมันรู้อยู่นี่มันไม่ไปไหนมันรู้อยู่นี่ก็คือใจนั่นเพื่อนไว้ยอ่นี่ก็คือกายมีสติคอยจับอยู่รู้อยู่นะเอาไวมามันก็ขยันรู้เข้าความรู้เลยมันก็ตรงกันข้ามกับความหลงโดยธรรมชาติ ขอใหมันได้รู้อยู่ น, นานๆตั้งอยู่ น, นานๆอย่าให้ฟองหลงมาตั้งอยู่นานเกินไปเมื่อฟองหลงมนเกิดขึ้นเราเอาฟองรูปไปใส่เอาฟองรูปไปใส่เชร็เลยมันหลงก็รู้มันทุกข์ก็รู้มันโกรธก็รู้มันร้อนมันหนาวก็รู้มันปวดว ม, มันเมื่อยก็รู้เนี่ยมันจะไปไหนเอาความรูปไปลงพื้นที่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 ก็เรามีเงินสร้างไหวหาไหวเก็บไว้ถ้าเราจะใช้จา่ายก็สะดวกเวลาหิวข้าวเอาเงินไปซื้อข้าวเวลาหนาวก็เอาเงินไปซื้อผ้ามาห่มเวลาร้อนก็ซื้อผ้าล่มมาพัดมาวีซับภายนอกก็ใช่ซับภายในคือสติเนี่ยมันไม่ใช่จะโลภไม่ถนัด มันใช่ถึงโลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งให้เราเวลามันทุกมีสติความทุกข์ก็หมดไปแล้วความโกรธก็หมดไปถ้ามีสติพอไม่ตกกังวลศหมองหมดไปเลยการสติลงตรงไห น, นมันจะไม่ปวดไม่ปวดผ่านไปตรงไห น, นที่นั่นก็สะอาดผันผ้าที่เราถูสลายผ้าเท็จไปตรงไห น, นที่นั่นก็สา สติก็วันเันเหมือนไม่ขวบมาลู้ตรงใดด้านะสะอาดไปไรจะได้เห็นเห็นผลค่าของความรู้สึกตัวมันเป็นประโยชน์เพื่อผู้ต่อชีวิตเรามันจะไม่หลงรู้สึกตัวเนี่ยบรรยากาศเนี่ยดีมาก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 มาบอกความจริงชีวิตเรามันมีกายมีใจกายที่มันแสดงออกไปทางไม่ดีเราสอนมีสตริรู้เท่ารู้ทันจะพูดจะทำใจคิดให้รู้สึกคอยดูแลอยู่อย่างนี้มันก็อปอดภปเหมือนแม่เหมือนพ่อดูแลลูกปลอด โลก่อนโลกน้อยก็ป่อดภาพระพุทธเจ้าถึงเปรียบเ ส, สมือนสติเหมือนพ่อเหมือนแม่ไปจะมาสร้างตัวเนี่ยไปทางไหนอย่าไปคนเดียวให่มีผู้ป้องมีผู้ชีวิตที่มีผู้ผู้กับคนรู้สึกกลัวห้ได้สัมผัสมีสติสัมผัสกับกายสม สติสัมผัสกับจิตใจมันจะเกิดความเป็นธรรมเกิด ค, ความถูกต้องเกิด ค, คุณภาพเกิดมาตรสถานชีวิตที่ได้มาตรสถานขมเส้นข่มวาจนเหนือการเกิดแก่เจ็บตายทสาสดเหนือการเกิดแก่เจ็บตาย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 มันเกิดเป็นแบบละเมอเพิ่มขัดถ้าเราไม่ประกาศมันฟุ้งพุ่งซ่าเหมือนไก่เขีย่ยไม่เป็นขิ้นไม่เป็นอันถ้าเราฝึกบางตัเป็นเฉพาะเลือกมากอ่าแม่นยาำชัดเจนชีวิตไม่พลาดพลาดพลาดชีวิตชัดเจน แต่ทำอะไรมันชัดเนจนอแต่ดูหนังสือมอนนันก็อ่านหนังสือแต่เราไม่พโฟกัสถ้าอ่านหนังสือไปแล้วครึ่งหน้าข้อนหน้าไม่รู้จักว่าตัวเองอ่านเรื่องอะไรต้องกลับมาอ่านอีกชีวิตที่ไม่ชัดเจนชีวิตไม่แม่นจำเก็จะต้องปลอยอย่างนั้นเลยชีวิตเรามันลิขิตได้ มันแต่งนะ้เป็นโบราณธรร บ, บุญวาสนาบารมีวาสนาเนี่ยมันแตงได้อยากดีก็ทําทลงไปกระพริบเท่วลงไปทปําความดีลงไปวาสนาคือเขียนเอาแต่งเอาวาดเอาให้กายมันดีให้ใจมันดีนะแต่วาสนา ไอ้วันเมย์คนเภาพ่าวัางคนก็พูดว่าวัสนานนนรนา์แข่งขันกันได้ไม่ใช่หรอกวัสนาร์ไแข่งขันกันได้ฮเราจะต้องมาแต่งกายแต่งใจของเราว่าแ่แต่งให้มันงามพาแป้งทาหน้าเสริมสวยอันนั้นก็เป็นเรื่องแต่งกายให้มันโลภงามศิลปะมันเลยยากรู้จักพูดรู้จักจารู้จัก สแสดงออกไม่ตายมีสติใจก็แต่งได้รูยจักยินมแย้มเจีใส ย, ยืดจุนยินยอมปล่อยวางปล่อยวางไม่ใช่ไปยึดเอาบางคนไม่แต่ยึดเอาความทุกยึดเอาความโกรธเอาความโกรธมานอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามตืนมีไหม สวันแรกยังโกรธอยู่สามวันแรกยังโกรธอยู่หน้าโกรธหน้าบึ้งอยู่นั่นการทั้งที่เป็นโทษตัวเราก็ยังไม่รู้จะโกรธบางคนก็ถือว่ถ้ากูดได้โปรธตีตายผมก็ไม่ลืมแต่ผมไม่ถ้ากูด ไ, าดได้โกรธผมไม่ได้ฆ่ามันผมไม่หยอมไปถ้าเราเผื่อการมันจะรู้จะกวาใจนี่เอาไม่ได้ใจ นี่แต่วางถ้ามือนี่ต้องจับปากกาดินสอจับการจับงานแต่ใจนี่ต้องวางอะไรที่มันเกิดขึ้นเรใจวางนนนะวางหวางจนว่างจนไม่มีอะไรใจปกติใจวางใจกลดต้องับเป็นที่อยู่ของใจปกตินั่นเรว่าที่อยู่ของใจ ให้อยู่ตรงนั้นย่านี้ไปจากตรงนั้นบางทีก็มี้สิ่งอื่นมาชวนให้นี้ไปจากปกติความโกรธถือว่าไม่ปกติความเป็นตกกังวลสมองถือว่าผิดปกติมันหนีจากบ้านนะบ้านของใจคือความปกติบ้านของกายคือมีที่มุงที่บงัง กัฝนกันแดดกันลมกันนอนกันหนาวแต่บ้านของใจคือปกติเราตึงมาสร้างบ้านของใจบ้านของใจนี่ไม่เสื่อมไม่โศกนะแต่เรามาสร้างเราเรียกว่าเนือ้อกายเกิดเจ่เจ็บตายถึงมรรคผลทิพย่านเมื่บ้านของการโศก บ, บางทีเจ็บหายเพราะลมเพราะ ไปเพราะนาผุทบกับไยวาดจัไทยอักขีพยายนสองวันมานี่สามวันมานี่บ้านข้างล่างเราไปบ้านทางยับเยินเลยฝนโปรลงครงัด บ, นนงบ้านนองตันนาเนี่ยวันนั้นวันเทเราทำวัดเย็ดฝนตกเห็บลงที่วัดเรามันพัดตอนนี้หน่อยเดียวมันกระโดดลงไปข้างล่าง ไปขยี้ว่า น, นนาน้องตนาน้อง เ, อเห่าน้องวัดเถือนแหลกตรงนั้นกาท่านบ้านของกายมันเกี่ยายเพราะว่าตะไคร์าอากีไคร์อุทกตะไครน้ำพวกอกากีภัยไปไม่าตะไครลมพัดแต่บ้านของใจคือปกติไงาอกากีัยร์ไปไม่ได้ลมพัดไม่ได้โจรกมยก อ, อกล์ฟมาได้เป็นสมบัติของเรา เป็นสมบัติของเราควาสร้างความรู้สึกตัวเลยทําให้จิตใจสู่ปกตินานหนึ่งวันสองวันลุกเราจะมาสร้างถ้าได้รู้สึกตัวสักห้าวันเจ็ดวันเมื่อมันหลงมันจะมันจะตกใจความหลงคิดเห่หางนั้แต่ว่าเพเาื่อนความรู้สึกตัวมันสะอาดมันบริสุทธิ์ มันใหม่เอียมมันผักมันสดมันแค่อยู่ในตู้เย็นสดชดไม่เหี่ยว้รงลูบสักตัวมันสั่ความหลงเพื่อนเวลาในมันหลงมันเบื่อแต่เราไม่เคยสัมผัสกัวลู้สุกตัวมันก็อยู่กับความเบื่อความหลงครับแต่เราได้รู้จุกตัวเสรแล้วมันไม่เอาอกความหลงมันไม่ถูกต้องจริง ความโกรธก็ไม่ถูกต้องจริงๆความทุกข์ก็ไม่ถูกต้องควไม่ทุกข์ถูกต้องกว่าความไม่โกรธถูกต้องกว่าความไม่หลงถูกต้องที่สุดช mm hmm. าวคนที่เคยสัมผัสกอ็อยู่นั่นแล้วอยู่ได้เหมือนคนสขปรกเขาดูเรียกมสปปกปรกเหมือนคนอินเดียเลยตามตาไปประเทศอินเดียเฮ้ mm hmm. เกียรตคูดเกียรตปุ่อยู่ด้านแล้วมเมอเพื่อนะเขาก็ไม่เคยเห็นกัดสังเพราะเขาสร้างไม่ได้เอากระสอบขาดุมหัวนั่งอยู่ผมอยู่แล้วก็หาได้แค่นะั้นสิ่งที่ใช่ของเขาก็เป็นสิ่งที่คนมีฐานะเอาไปทิ้งเลยกระสอบขาด ถุงขาดขาดเอามาคุมหัวมันอนมอหมนั่งอยู่ตามพุทธบาทถนนตายตะวันเอของหอท่านเอาก็ววสอบหอไปวางอยู่ตามแม่น้าคงคาฝั่งแม่น้าคงคาเพื่อเข้าคิวเผามันจนดชีวิตที่มันจนจนจ น, จ น, นปัจจา ความโกรธถือว่าความจคนความทุกข์ถือว่าความจคนความหลงถือว่าความจนของชีวิตทัางทั้งเดียวเรามายถึอันความจนทางร่างกายทางวัตถุนั้นงนี้อาจจะไม่มีในหมู่ผู้ที่มีความขยันความจนมกจักจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกียดชาน ความจนไม่มีในคนขยับผู้ข ย, ยับยอมหาส้ำได้คนเกลียดข้านยอมนอนเป็นทุกข์เขาก็เป็นไปได้แต่ว่าเรื่องของจิตใจเนี่ยในหมู่คนข ย, ยันก็ยังจนนะเศรษฐียังเป็นโลคขาดอาหารบางทนะ่านจะเป็นเศรษฐีแต่เป็นโลคขาดอาหาร ทำไมมันคิดมากอาหารดีๆกินลงไปได้ย่อยเลยท้องผูกเลยเพราะมันอารมณ์เข้าไปอยู่แทนเขคิดอะไรไม่ตกกังวลสนุงอยู่เสมออาหารดีๆนี่ไม่ย่อยเลยท้องผูกต้องไปกินยาถ่ายออกเพราะอาหารดีๆเลยไม่มีปรนะโยชน์เพราะอารมณ์ เรื่องของใจเรื่องของจิตใจมันควบคุมทุกอย่างพอใจเสียแล้วเหมือนบ้านรั่วบนแปลเปียกไปหมดแล้วแแปลด้จากแป้บ้านเคยจ่วหลังคาแต่ม cool ันม <ingo studies> ันรั <favorites elim> <working> ่วตรงตรงกลางกลางก็เพื่อนหมดแล้วชีวิตเราถ้าถ้าใจไม่ดีแล้วเสียหมดเลยสุขภาพก็เสีย ที่เรออาอะรเนี่ยเสียอะไรเสียไหมดเลยเราจึงอยากจนอย่าจนใจมาสร้างอาลัยสร้ราสร้างเติมีความรู้สึเมีความรู้อได้จะให้มันจนถ้าไม่จนใจแล้วบางที่ล้องตาพนวันนี้นกราเกิดความสมดุลหลายอย่าง สัคงคมก็ดีสุขภาพก็ดีเศรษฐกิจก็ดีนะทำไมเสืส่อรวยเสลามาเถอะมาสร้างความร้สเสตัวให้ ม, มีมีบ้านบ้านของใจ่บ้านของใจนี่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตรงนี้หละเรามีความทรอมแบ้วมีชีวิตแล้ ว, ลวเราได้ชีวิตแล้ว ในกายในใจแล้วทําดีได้ละความช่วยได้โดยพสติเนี่ยมันลกความชัว่วมันทําความดีถ้ามีสติถ้ามีความรู้สึกตัวเราละความชั่วแล้วถ้ามีความรู้สึกตัวมันก็ทําความดีแล้วถ้ามีความรู้สึกตัวจิตมันก็บริสุทธิ์แล้วเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาแล้วไม่ต้องไปพูดสักคําเลย ว่าปัเจณาโง่เว้นจากการค่าอะไรกูแต่ว่ามันเอาใจแล้วมีสติแล้วเจตนาโง่เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ไม่มีแล้วมันมีสติแล้วก็ทําดีอยู่แล้วรับความช่วยอยู่แล้วอ่านนั้นเสือได้ก็ไม่เป็นไรอ่านนั้นเสือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหาบัวก็ไม่เป็นไรถ้ามีความรู้สึกกูพูหว่าก็ไม่เป็นไร ใชไหมผมรู้สึกก่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรอกสักจธรรมต้องเป็นสารพนขนาดนี้ถ้าคนหูหวกคนตาบอดใช่ไหมได้ทําไม่ไ ด, ไได้ไม่ใช่สัจธรรมสัจะทําไม่ต้องอยู่กับผู้กับชีวิตของของคนหรอกคืมีกายมีใจรักความชืวอได้ทําความดีได้ขอให้เรามี ชีวิตในส่วนนี้ศึกษาเรื่องนี้นะศึกษาชีวิตเรื่องนีรับผิดชอบหลงพ่รับผิดชอบคําสอนของพระพุทธเจ้าทดลองในโอกาสสร้างความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวลองเอามือวางไว้บนเข่าดูสิในมือไหมนั่งอยู่เนี่ยในไหมในมือไหมเป็นในมือยกมือขั้นขวขึ้นดูสิ หนมือข้างขวาอ่าแสดงว่าเรามีมือเอามือข้างซ้ายอยู่ตรงไหนเยื้องขึ้นหน่อยสิอ่มือเอาเข่าอยู่ตรงไหนหัวเข่าอยู่ที่ไหนเอามือข้างซ้ายตบหัวเข่ามือข้างขวาตบหัวเข่าดูสิตบเข่าดูสิอ่าเราเหมือเอามือข้างขวาอยู่หัวเข่ามือข้างซ้ายหัวเข่าข้างซ้ายวางไว้เอามือข้างซ้ายข้างขวาวางไว้ เดนิ้วมือของท่านอยู่ไหนลูกไหมมือของพกท่านอยู่ตรงไหนเลยเนี่ยลูกไหมลูกเคยเป็นคนลูว่ามือถอึงมอกระแลต้องไปถามคนอื่นไหมว่ามือของเราอยู่ที่ไหนต้องไปถามใครไหมว่ามือทัางซ้ายทา้งขวาเราอยู่ตรงไหนไม่มีคําถามเรารู้เอง เอาแต่แกงมือข้างขวาตั้งไว้ดูสิแต่แขงมือข้างขวาตั้งไว้บนเขาตั้งไว้ดูสิมือข้างขวาตั้งไว้แต่แขงตั้งไว้หรือยังใครเห็นใคเห็นว่ามือข้างขวาตั้งอยู่นะเราเห็นเองยกขึ้นยกยกหรือยังใครเห็นเราเห็นเองพอมาวางไว้บนท้องหน้าท้อง รู้สึกเราเห็นเราเห็นเอาแต่แคงมือข้างซ้ายตั้งไว้บนเขารู้สึกยกลื่นรู้สึกมากบมือข้างขวารู้สึกตัวดูดูจงมือนี่ไม่ใช่เอาตาดูมันรู้ตาในมันรู้เลื่อนมือข้างขวาเหนือมือข้างซ้ายขึ้นมารู้สึก รู้สึกไปกับมือนี่ยกออกไปข้างๆรู้สึกวางตั้งไ ว, ว้บนเขา่ารู้สึกความลงรู้สึกแต่แขนมือข้างซ้ายตั้งไวเอายกมือข้างซ้ายขึ้นมาออกไปข้างๆวา่ารู้สึกวางลงตั้งไ ว, ว้บนเขา่ารู้สึกความลงรู้สึก คนหุญวกก็มีสติคนตาบอดก็มีสติคนตาดีก็มีสติถ้าเราว่าก็มีสติจผ้าก็มีสถิอันเดียวกันอันเดียวกันพวกเราเนี่ยสาคนคือสิ่งเดีย ว, วเราสร้างกันีไอ้ลูกสึกตัวไอ้ลูกสึกตั ว, วอืาเราทำได้ทุกคนนี่คือสัจธรรมเนี่ยคือของจริงพุทธศาสนาเกิดขึ้นที่ตรงนี้ ไม่ได้เกิดมาจากท้องแม่เกิดจากเอากายเอาใจมาสร้างความรู้สึกตัวเกิดตรงนี้พุทธโธมรรคผลในพานเกิดตรงนี้ปิดประตูนร ก, กนนทนปิดไปตั้งแต่วันนี้เปิดประตูสวรรค์ก็อยู่ตรงนี้เปิดประตูี่พานก็อยู่ตรงนี้ถ้าความรู้สึกตัวเนี่ยตรงนี้ต่ไ้ชวนกันสร้างแต่ความหลงโน้น เอานังมาฉายอุ่มคำสำคัญเลยเลอดคืนเลยอไม่เป็นไรเรามาลู่จุดตัวมาลู่สุกตัวเนี่ยนะเจอได้ทุกกฎพูยเจ้าสอนสิ่งที่เราทําได้แล้วทาสอนของภูยเจ้าปฏิบัติได้รู้ได้ทุอกฎให้ผลได้ ไม่จำกัดการผู้ปฏิบัติลู่ยิ่งเห็นยิ่งสมกับการปฏิบัติขยันลูกก็ได้ความรู้ขยันหลงก็ได้ความหลงเราจะไปขยันหลงหรือจะขยันลุกรามาสร้างคชีวิตของเราที่อยู่ที่นี่พยายามที่จะเพิ่มความรู้สึกตัวไปกับการใช้ชีวิตของเรานะ อย่าลูกลีกลุกลนใส่เพิ่มเพิ่มลงไปอย่าไปล่างหน้าแปลปนมีความรู้สิตัวจะกินข้าวจะอาบตารู้สิตัวรู้กสกตัวไปเพิ่มไปให้มีนิสัยให้มีปัจจัยมีนิสัยความหลงมีนิสัยความรู้อย่าไปสร้างนิสัยให้เกิดความหลง สร้างนสในเกิดความรู้เอามาเป็นความรู้สึกตัวนี่เรียกว่าบทฝึกมันเราเรียนภาษามือเป็นเราสองนลูกตากําลังเรียนภาษามือทำมาอ่านอ่านไปตาไปก็หัดยกมือไปเพราะว่าอไปชมกันมากๆเอามือมาสานกันเอามือมาสานกันมากกว เราก็ทำแล้วล็อกดาวก็เรียนเออมาท่นภาษาเหมือนตายเป็นปัญญาก็เลยได้ได้ภาษาใจภาษาของรู้สิตัวเนี่ยทำรู้สึิตัวไปไหนรู้สึกตัวเรื่องมือไปจับอะไรรู้สกตัวจับปากการู้สึิตัวตาไปเห็นก็รู้สึกตัวพวกเราไม่มีไม่มีเสียงยิ่งดีเสียงหนังก็ใช้เนี่น ข, ขึ้นตลอดขึ้นเพราเรานอนสบายไม่ต้องไปตรอง น, <c oughs> นี่ไม่ได้เปลียบเพรก็ไม่เปรียบหรอกพราเราหู ด, ดีเลยโอ้ยเสียงเตืเ่นขยายรบกวนทั้งคืนแต่คนไม่มีสติแล้วเกิดร้เราก็นอนหลับสบายนะไม่มีเป็นทุกไม่เป็นทุกแต่เรามีสติหูหวกไม่เป็นทุกตาบอดไม่เป็นทุกลู้อยู่ตรงนี้ รู้อยู่ตรงนี้เพราะั้นเราจะมาเปิดปทำเราจะรู้เอวนะเอาไปคัดที่นี่ไม่ที่เรามาอยู่อยู่ตรงที่เดียวเมื่ออยู่กับผมรู้สึกตัวไม่ใช่อยู่สุขโตกไม่ใช่อยู่ที่สลัมาอยู่กับผมรู้สึกตัวเรามาสร้างสิ่งแวดล้อมให้เกิดความรู้สึกตัวเรามาพูด ในความรู้สึกตัวเรามาทําในความรู้สึกตัวอิริยาทางกายทางใจก็ให้เกิดความรู้สึกตัวแต่ก่อนนี้มันเกิดความหลงกายมันก็เกิดความหลงใจก็เกิดความหลงปัด น, นี้เอามาให้มันเกิดความรู้เปลี่ยนปัตติคือเปลี่ยนเปลี่ยนรายใจเป็นดีเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกสติปฏิปัติเปลี่ยน เปลี่ยนให้ดีมันหลงเปลี่ยนเป็นตัวลูกมันทุกข์เปลี่ยนเป็นตัวลูกมันโกรธเปลี่ยนเป็นตัวลูกเอาความรู้ไปทั้งหมดมันมากจนเป็นมหาลูกเรียกว่ามหาสิทธิปธัฏฐานตามหลักการสอนของพระพุจา้าวันนี้ก็สมควรเจริญแา้เราจะพูดกันเลืนี้ทุกวันไม่ใช่จัจิตกรรมฉวย พวกเราเท่านั้นเป็นอย่างนี้มานานแล้วสามสิบกว่าปีตั้งแต่หลวงพ่อเทียนสอนพวกเรามาพวกเราก็ทําอยู่เนี่ยใครจะมาใครจะไม่มาเราก็ตีสี่ตีคล้องทงวัดตีสี่พวกเราก็มานั่งตรงนี้ถ้ามานั่งตรงนี้ก็ไปนั่งจะลาหมอนตามาสร้างสติตีสี่ครึ่งรถทำวัดส่วนทําวัดตรวนจบแล้วก็เราทําสุกันต่ เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เราจัดให้เฉพาะพวกเราเป็นเรื่องนี้อ่าก็สมควรเวลาตากพากฟ้องกันอะังตมโมัมโตะวะวุตจันงคันติวะ พระโตบาลปะวะโตาลุพระพุทธเจเทิปนโะวะโตสา